พระเจ้าพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทักษิณาทานย่อมไม่ชื่อว่าน้อยเลยแปลว่าถ้าเราจะมีข้าวสักหนึ่งทัพพีเล็กนิดเดียวเนี่ยนะแต่เราเอาไปถวายพระพุทธเจ้าเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าอาจจะบูชาในขณะที่พระเจ้ายังมีพระชนอยู่หรือสิ้นชีวิตหรือปเรนี่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ได้มีข้าวหนึ่งทัพพีเล็กๆเนี่ยเอาไปบูชาเมื่อไปบูชาแล้วเนี่ยทักษิณาทานย่อมไม่ชื่อว่าน้อยเลยเนี่ยมีดอกไม้แค่นี้ เรามาบูชาพระธรรมเนี่ยที่เอามาตั้งอย่างนี้ถือว่าบูชาพระธรรมบูชาพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนียอย่าไปคิดว่าเล็กน้อยบุญเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้มีอยู่น้อยนิดแค่ดอกไม้แค่นี้อะไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่บูชาคนมีกิเลสนะบูชาคําสอนของคนที่หมดกิเลสฉะนั้นบุญเนี่ยไม่ชื่อว่าน้อยเลยอันนี้ทำมาณศิการอย่างดีๆเนี่ยบอกว่าโอ้โหคำนวณนับไม่ได้เนี่ยเจตนาที่เกิดขึ้นจากการบูชาเนี่ย แต่อยู่ที่เป็นไหมใช่ไหมยนะอยู่ที่ใครบูชาด้วยเนะี่ยอยู่ที่ใครบูชาด้วยเนยจิตที่นอบน้อมบูชาด้วยนะนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านหลงบอกว่าทักษิณาทานย่อมไม่เชื่อน้อยเลยไม่ว่าเราจะบูชาด้วยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะบูชา อ, อันนี้เฉพาะอมิตรบูชายังมีอา น, นิสงส์ขนาดนี้นะไม่ต้องไปนับเรื่องของธรรมบูชา มาเถิดมาตะลีพวกเราทั้งหลายจงบูชาพระบรมาธาตุของพระตถ า, าคตให้ยิ่งยิ่งขึ้นเถิดเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขปอกไปเถิดเนี่ที่บอกว่าบอกว่าพวกเราจงมาบูชาพระบรมาธาตุของพระตถ า, าคตให้ยิ่งยิ่งนี่ก็ท่านเชิญเขาเชิญชวนไปบูชาพระาธาตุของพุทธเจ้าบอกจงบูชาให้ยิ่งยิ่งขึ้นบ้างทำมีอยู่ที่ไหนนะ ร่างกายเรายังไม่ตายยังไม่เจ็บไม่ป่วยพอจะไปได้เนะี่ยไปเนะี่ยหอบร่างกายเนี่ยประคับประคองการจรักายเนี่ไปสักการละไปบูชาให้ยิ่งยิ่งกันมาเพื่ออะไรเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ข, ของเราทั้งหลายเนี่ยแม้พระตถาคตจะยังทรงพระชนอยู่หรือเสด็จดับขันธวรรษนิพพานไปแล้วก็ตา ม, ตามเมื่อจิตเสมอกันผลก็ย่อมเสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติเพราะเหตุที่ตั้งจิตไว้ดีแล้ว ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะบริณิพานหรือยังมีพระชนอยู่ก็แล้วแต่น่ยขอให้จิตเราเสมอนื้อคว่าจิตเสมอในที่นั้นก็แปลว่าเสมอเหมือนว่าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่ทําได้แม้ทาจิตแบบเนี้ยเคารพพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เช่นเราจะฟังธรรมของพระผู้พุาคเจ้าเขาฟังด้วยใจที่มีความเคารพเนี่ยเออถ้าเราทําได้ลักษณะอย่างนี้โอ้เราเริ่มได้ดีแล้วนะ แต่ถ้าบอกอ้เราไม่ได้ตั้งไม่สามารถจะตั้งกระแสจิตหรือศรัทธาให้ตั้งมั่นได้ขนาดนั้นอันนั้นบุญก็น้อยหนอ่อทายกทั้งหลายได้กระทำสักการะบูชาในพระธาตุโคตเหล่าใดแล้วได้ไปสู่สวรรค์พระธาตุโคตเหล่านั้นย่อมเสด็จอุบัติเกิดขึ้นเพื่อประโยช น, น์แก่ชนเป็นอันมากคือพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นก็เพื่อประโยชน์ในปนัจจุบันประโยชน์ในพรุน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ในปนัจจุบันที่เราได้รับกันเนี่ยเพราะเป็นผลจากการบูชาในอดีตนะ ถ้าหากว่าเราบูชาในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ในสมหรัยาภพที่ดีและในที่สุดจริงๆจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏจทุกข์ด้านนีเป็นอย่างนั้นนะประการต่อมาก็คือว่าอสาธะเนี่ยวิจัยาก็เอามาวิจัยนะสุขโสมมนัสอิถารมตันหาวิปลาสใน5อย่างนั้นนะ่ยสุขและโสมมนัสมีอยู่2อย่างนะสุขที่อิงอาศัยกรรมคุณก็มีสุขที่อิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเนะี่ยเขาเรียกว่าสุขที่อาศัยอิงกรรมคุณ สมนานก็เหมือนกันสมนานอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยสัมผัสสุขสมนานที่ไม่อิงกรมคุณอันนั้นคืออิงเนคัมมะเอางี้เรียก ว, ว่าความสุขเนี่ยนะได้เห็นรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสนิ่มๆก็ทำให้เกิดความสุขสมนานได้ใช่ไหมอีกประการต่อมาคือฟังคําสอนของพุทธเจ้าก็เป็นปใจใัจจัยเกิดสุขสมนานได้อันนี้ก็เรียกว่าอิงเนคัมมะ ในความสุขนะั้นน่ยมีอิทธารมก็มีอยู่สองประการนะสภาวะอิทถารมกับปริกปะอิทธารมณอารมณ์ที่ดีโดยสภาพอารมณ์ที่ดีของของคนส่วนมากเออจริงๆแล้วว่าอารมณ์บางอย่างเนี่ยคนส่วนมากหรือคนดีทั้งหลายก็ดูกันเป็นของดีเนี่ยเช่นว่าการได้กราบไหว้พระบรมาธาตุเป็นต้นเหล่าเนี้ยการบูชาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงไหมหรือว่า การได้อยู่ในที่ที่ดีๆอันนี้อันนี้เป็นอิทธาลมได้แต่ว่าคนส่วนน้อเออกลุ่มอบรรยัยสัตว์บางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ชอบอย่างอย่างเช่นสุนัขเนี่ยสุนัขเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบอาหารอร่อยอร่อยเขาชอบพราะอุจจระบางอะไรบางเห็นไหมแต่ก็เป็นอิทธาลมของเขาทั้งๆมันเป็นของไม่ดีลักษณะนี้เขาเรียกปริกปาะอิทธาลมของเขาตันหามีสอย่างกรมมาตันหาภวะตันหาแล้วก็วิภาวะตันหาตรงนั้นก็ในรายละเอียดก็ ในส่วนต่างๆตรงนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับกลุ่มของอัศสาธะนั่นเองส่วนอีกประการต่อมาก็คือว่าตัณหาตัณหาคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เอาไปคูณกันเป็นตามลำดับนะเข้าคูณอย่างนี้ก็บอกว่าการ3ปัจจุบันอดีตอนาคตแล้วก็สันดานสองคือภายในและภายนอกนับโดยพิสดารมีอยู่ร้อแตัณหาก็คูณกับอารมณ์6 แล้วก็คูณการสามคูณคูณภายในภายนอกก็รวมเป็นร้อยแปดวิปรารก็มีอยู่สามอย่างมีสัญญาวิปปารจิตตาวิปรารแล้วก็ทิฏฐิวิปรารสัญญาวิปาราเนี่ยก็แปลว่าความจำหมายอันคาดเคลื่อนจิตตาวิปรารความคิดอันคาดเคลื่อนทิฏฐิวิปราก็คือความเห็นที่คาดเคลื่อนวิปปาราสอย่างนั้นน่ละสอย่างก็คือว่ามีอย่างละสี่อย่าง วิปลาสคาดเคลื่อนในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงวิปลาสคาดเคลื่อนในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขวิปลาสคาดเคลื่อนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน่าเป็นตัวตนวิปลาสคาดเคลื่อนในสิ่งที่ไม่งามว่างามอันเขาเรียกวิปลาสอันนั้นอยู่ในกลุ่มของอาสาทะส่วนอาทีนาวะก็คือทุกทุกทรมนทุกขะทุกวิปริณามทุกสังขาระทุกเตม เตภูมิกะทำทำที่เป็นไปในสังขารเออทำที่เป็นไปในภูมิสาอันนั้นเป็นอาทีนาวะนิสสารณะก็มีอยู่2อย่างอริมาร์กแล้วก็นิพพานสุญญ า, ามาร์กอนิมิตามาร์กอัปนิจามาร์กเป็นต้นส่วนผลก็มีมุกขย่ผลแล้วก็ประลัมประผลเป็นต้นไปตามลําดับเออตรงนี้ก็คือต้องการชี้ให้เห็นว่าต้องการชี้เห็นนะบอกว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ย ถ้ามาแยกโดยความเป็นอัศสาถ้าเป็นนาทีนว่าเป็นมิตรนาเป็นผลเป็นผลและประการต่อมาก็คือโดยเป็นอุบายอุบายก็คืออุบายที่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นของอริยมรรคและอุบายที่เป็นเหตุให้เกิดในภพภูมิที่ดีเป็นต้นอุบายมีอยู่2อย่างอุบายที่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นของอริยมรรคก็คืออย่างนี้การเจริญสติปัฏฐานการทําสุดจริญสาให้เกิดขึ้นการสํารวมบินทรีย์การฟังพระสัทธรรมการทําโยนิโสมณีสิการให้เกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้เป็น อุบายที่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นของอริยมรรคส่วนอุบายที่เป็นเหตุให้เกิดในภพภูมิที่ดีก็คือการบูชานี่แหละการให้ข้าวให้น้ําให้เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเป็นต้นเหล่านี้ส่วนอนตัตติการพิจารณาอนานัตเช่นการชักชวนของมนุษย์เทวดาและพรหมการแนะนําของเครือส่ายบรณชิตการกระตุ้นเตือนของพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าสาวโอของพุทธเจ้าเป็นต้น พระเจ้าจะตัดว่าไงทานนางเทถะจงให้ทานศีลังลักขะธาจงรักษาศีลภาวณังภาเวธะจงเจริญภาวนาเป็นต้นเนี่ยพระเจ้าบอกมาสองพันกว่าปีแล้วบอกว่าทานัางเทถานี่จงให้ทานนี่ยพรเจ้าบอกจงให้ทานให้ทั้งให้ทั้งอามิสทานคือให้ให้ทั้งธาวัตถุทานแล้วก็ให้ทั้งแล้วก็ศีลังลักขะธาจงรักษาศีล น, นีภาวณังภาวณัง พาเวธาประจงเจริญภาวนาทั้งสมถภ า, าวนาและก็วิปัสนาภาวนาลักษณะอย่างนี้เป็นอนัตคำบอกกล่าวส่วนอนัตตวิจยะก็คือการวิจัยการวิจัยนั่นเองนี่ก็เป็นไปตามคำสอนอันนี้คือเอาศัพท์คำว่าบูชาอย่างเดียวนะเอามาวิจัยเอามาพิจารณาตามคาสอนให้เราได้ทำความเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร เมื่อทําความเข้าใจอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปสงเคราะห์คําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อส่งเคาะคําสอนของพระพุทธเจ้าเบ็ดเสร็จแล้วตอนี้ก็มาไล่หาประทัดฐานวิธีการไล่หาประทัดฐานก็คือบอกว่าองค์ธรรมของการบูชาได้แก่อะไรนี่สําคัญมากถ้าถามบอกว่าบูชาจะบูชานเนี่ยการบูชาบุคคลที่ควรบูชาในองค์ธรรมได้แก่อะไรองค์ธรรมของการบูชาก็ได้แก่กุศลและ อัพยาจิตตุบบาทคือจิตที่คิดจะบูชาในขณะนั้นต้องได้แก่มหากุโสลจิตตุบบาตถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ได้แก่มหากริยาจิตตุบบาทใช่ไหมต้องเป็นกุโสลจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นฉะนั้นนั่นแหละคือองค์ธรรมคือสภาวะจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นฉะนั้นสภาวะจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวจิตตุบบาตตัวกุโสลจิตที่เกิดขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นองค์ธรรมของการบูชา แล้วตัวกุศลและจิตที่คิดเกิดขึ้นในการบูชาเกิดขึ้นมาได้มีอะไรเป็นบรทัดฐานบอกมีโยนิโสมนัสิกานะเป็นบรทัดฐานเลต้องย้อนไปดูนะว่าทำไมท่านผู้นี้ยกตัวอย่างเช่นว่านายสมมนมาลาการทำไมมีจิตที่เป็นกุศลในการที่จักบูชาอ๋อเพราะนายสมมนมาลาการเป็นต้นอันนี้ท่านมีโยนิโสมนสิกานคือเป็นคนที่ฉลาดคิดใช่ไหม ความฉลาดคิดความคิดถูกทางถูกวิธีถูกอุบายเนี่ยถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออดอกไม้แปดกำมือเนี่ยเราอย่าเอาไปให้กับพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่เลยเราเอาบูชาพระตถาคตของพระพุทธเจ้าดีกว่าตรงนี้ความฉลาดคิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิกานและโยนิโสมนสิการเนี่ยมีอะไรเป็นประทัดฐาน มีสัตธรรมมสวนาเป็นบรรทฐานอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ฉลาดคิด เ, เพราะว่าได้เคยฟังวสัตธรรมใช่ไหมการฟังพระสัตธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปิตใจให้เกิดโยนิโสมนัสการแล้วอะไรละเป็นปัจจัยให้เกิ ด, ด, ส, กใใกดสัตธรรมมาสวนาะสัปปุริสูปนิสยัยการคบสัตบุรุษคําว่าสัปปุริสูปนิสัยเนี่คือบัณฑิตนะ อ๋อได้คบพระพุทธเจ้าได้คบสาวกของพุทธเจ้าจึงได้มีการฟังวสัตธรรมมีโยนิโสเป็นต้นแล้วทำไมจึงได้คบสัตบุรุษอะไรเป็นปัจจัยให้ให้ได้คบสัตบุรุษบอกปฏิรูประเทสวาศคือการอยู่ในประเทศที่สมควรบอกอ๋อการอยู่ในประเทศที่สมควรนี่เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้คบสัตบุรุษแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้อยู่ในประเทศที่สมควร ปุเพกตับปุญญาตาการทําบุญไว้ในปางก่อนเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมอดีตทําบุญมาดีป่ะโห่มางคลกว่าจะได้มาพบพระพุทธเจ้าเกือบตายเลยนะมางคนเนี่ยกว่าจะได้พบคําสอนพระพุทธเจ้านิ้วหูกรหนวกเลยยุ่งเลยใช่ไหมโห่มาสรุปตรงนี้ก็คือว่าปุบเพกตับปุญญาตาเป็นเหตุปฏิรูปรเทสะวาสะเป็นผลการทําบุญในปางก่อนเป็นเหตุใช่ไหมแล้วก็การอยู่ในประเทศที่สมควรเนี่ยเป็นผล และการอยู่ในประเทศที่สมควรก็มาเป็นเหตุการครบสัตบุรุษก็เป็นผลการครบสัตบุรุษเป็นเหตุการฟังพระสัตธรรมก็เป็นผลการฟังพระสัตธรรมเป็นเหตุโยนิโสมนสิการก็เป็นผลโยมนิโสมนสิการก็เป็นเหตุการบูชาเป็นทีนี้การบูชาเป็นผลแล้วการบูชาเป็นเหตุได้รับผลคืออะไรปลาโมด บูชาแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดปาโมดเกิดปีติเกิดปัสสถานเกิดสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูติยาณทัศนะเกิดนิพพิทาเกิดมากผลปัจเจเวกปัจเจเวกขณะยานเป็นทิศจึงได้บรรลุผลคืออนุปาทาปรินิพานหรืออนุปาที่เสสานิพานเห็นไหมเป็นไปอย่างเนี้ยสรุปแล้วตอนนี้เราได้บูชาหรือ ย, ยงังได้หรือไรนียังไม่ได้ถ้าได้บูชาแล้วโอ้มาไกลแล้วนั้นเนี่ยไกลแล้วนะ ย้อนขึ้นไปก็คือว่าการบูชามาจากการมาจากโยนิสโสมนัสิการโยนิสโสมนัสิการมาจากสัตรธรรมัสสวาณะสัตรธรรมัสสวาณะมาจากสัพปริสูปนิสยะสัพปริสูปนิสย า, สสยามาจากการอยู่ในประเทศที่สมควรการอยู่ในประเทศที่สมควรมาจากปุกเพกตะ บ, บุญยะโอ้โหมาไกลแล้วเราได้บูชาแล้วเนี่ยนะอย่าย้อนขึ้นไปอีกนะ ทีนี้พอบูชาแล้วต่อไปแล้วก็จะได้ปราโมดได้ปีติได้ปัสสัทธิได้สุขได้สมาธิอูดไกลแล้วเนี่ยสมาธิใกล้จะได้แล้วเหลือกี่กี่ชั้นเนี่ยปลาโมดได้เนี่ยแบบอิ่มใจแบบชั่วครั้งชั่วคราวได้ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยาถาภูตญาทัทสนานินพิทาได้มรรคได้ผลได้ปัจเจเวกแล้วก็ปัจเจเวกนาฬยาน ได้บรรลุอนุปาที่เสสานิพานถ้าตุปารินิพานเสทีจะได้ไม่เกิดเห็นไหมผลของการบูชาต่อไปเราจะได้ปารินิพานเสทีจะได้ไม่ต้องไประหกระเหินตามพบน้อยพบใหญ่โอ้ลําบากเที่ยวมานานเบื่อเที่ยวแล้วว่างั้นไะเบื่อเที่ยวใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปเที่ยวพบนั้นบางพบนี้บางโอ้น่าเบื่อมากบางพบเขาก็ต้อนรับเราดีบางพบเขาก็ไม่ค่อยต้อนรับเราเนี่ยเนี่ยไปเกิดบางพบนี่นะพอเข้าบ้านปุ๊บเขาก็ดินคว้างแล้วไล่วิ่งออกมาเลย บางพบเขาโอ้เชิญครับเชิญครั บ, เ, รบเต็มที่เลยอะไปเกิดบางพบเขาต้อนรับดีเหลือเกินบางพบนี่แม่เขาไม่ดูแลทั้งทั้งที่คนคนเดียวกันนั่นแหละถ้าเราเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยเขาไม่ต้อนรับเลยเนี่ยลองดูที่สมมตินะเรามาเกิดอยู่บ้านหลังนี้นะโอ้ยเราอยู่ในฐานะที่ยิ่งใหญ่ชี้วงการใครได้หมดใช่ไหมตายพบมาเกิดใหม่มาเป็นแมวตอนนี้โอ้ตีว้วงการใครไม่ได้เลย <c oughs> เขาจับโยนออกนอ ก, นอ ก, นอกบ้านเลยเพรวิง่งมาขอข้าวเขาหน่อย ทั้งๆที่เคยเป็นแม่ก็เป็นพ่อเขาอยู่เนี่ยวิ่งแอลแอมาเนี่ยเขาจับโยนตออกไปของเขไม่เลี้ยงแล้วเราจะไปบอกว่าโหนี่เราทํามาแทบตายเลยนะเนี่ยกลัวจะได้บ้านหลังนี้มาไม่ได้แล้วหมดสถานภาพนีนเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าบูชาเสียเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเหตุให้เกิดปาโมดเกิดปีติเกิดประสติเกิดสุเกิดสมาธิเกิดยถาปุธยาณทัศนะเกิดนิพพิทาเกิดมรรคเกิดผลเกิดปัจเจเวคขณะยาณแล้วก็ ปรินิพานกันเสียทีพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมาหากรสบเป็นตนน้นเหลนี้ท่านปรินิพานหมดแล้วท่านไม่ต้องมาเวียนวะ่ะเวียนไหวาตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์ทรมานเหมือนกับพวกเราอยู่ไหมพวกเรายังมองหาคติข้างหน้าไม่เจอเลยไม่รู้จะไปพบน้อยพบใหญ่ยังไงไม่รู้ไปพบหน้าไม่รู้จะสุขสบายดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหมจะมีเสื้อนุ่งห่มกับเขาบางหรือเปล่าก็ไม่รู้บางพบบาศบางประเภทนี่ไม่ต้มีเสื้อผ้าใหญใส่เลยนะ เสเดือนเนีไม่มีผ้านุ่งเนอะออกมาโล้นทั้งตัวเลยโอ้โหใช่ไหมถ้าเป็นสุนนาก็ยังมีขนหน่อยใช่ไหมถ้าไม่เป็นขี้เลื้อนนะถ้าเป็นขี้เลื้นก็หมดโอกาสดีนี่เป็นอย่างนี้ว่ตาตามันน่ากลัวอย่างนี้เลยตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าก็ทําความเข้าใจในในมองหาประาฐานคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นกว่าที่จะมาได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยโอ้โหต่อย้อน ตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางนะถ้ามองไปย้อนขึ้นไปก็ได้จะย้อนขึ้นไปหาว่าโอ้โกวดจะบูชาได้ถูกต้องก็ต้องมีโยนิโสมนสิการมีสัตยธรรมมัวะนะมีการครบสัตว์บุรุษมีการอยู่ในถิ่นที่สมควรมีการฟังวันสนธรรมเป็นตน้นอะไรเนี้ยนะมีการอยู่ถิ่นถิ่สมควรเป็นปุบเพกกตะ บ, บุญญตาเป็นตน้นโอ้ปุบเพกะตะ บ, บุญญตาเป็นปททัจจัยให้อยู่ในประเทศที่สมควรอยู่ในประเทศที่สมควรให้ครอบสัตว์บุรุษ การคบสัตว์บูรุษได้ฟังวสัตธรรมการฟังวสัตธรรมทำให้เกิดโยนิโสมณิสิกานะโยนิโสมณิสิการก็เป็นปัจจัยให้เกิดการบูชาให้เกิดกุศลแจิตที่เกิดขึ้นจากการบูชาเพื่อเราบูชาถูกต้องแล้วต่อไปจิตก็จะเกิดปาโมดเกิดปีติเกิดปัสสธิเกิดสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญานทัศนะเกิดนิพพิธาเกิดวิเกิดอริยมรรคเกิดผลแล้วก็ นิพพานปัจเจเวขณะยาณแล้วก็จะได้ปรินิพพานกันเนี่ยนี่นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้อันนั้นคือผลของการบูชาอันนี้เป็นมงคลนะหลวพ่อเจ้าแต่ว่าบอกเป็นมงคลงนั้นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นเป็นอย่างนี้เลยอ่ะต่อไปก็จะมาขึ้นคําว่ามงคลอีกข้องในชุดที่สองก็คือการอยู่ในประเทศที่สมควร ครั้งที่แล้วได้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งน่เนี่ยการอยู่ในประเทศที่สมควรบาลีก็บอกว่าในในบาลีของปฏิรูประเทสวารโสจะปุเพจักกตาปุญยตาอัตสัมมาปณิธิจเตมังคารมุเตมังนี่นะอันนี้เป็นมงคลข้อที่สองมงคลข้อที่สองนี่มีอยู่3มมงคลคือการอยู่ในประเทศที่สมควรหนึ่งการเป็นผู้ได้ทำบุญในปางก่อนหนึ่งแล้วก็การตั้งตนไว้ชอบ แต่นี้ก็ขอเล่าตามคําสอนตามอัตถกถามงคลข้อแรกในคาถาที่สองคือการอยู่ในประเทศที่สมควรคําว่าประเทศที่สมควรคืออะไรปรเรุเพกตะบุญญาตาเนี่ยนะเดขออภัยไม่ใช่ปฏิรูประเทศวาสะการอยู่ในประเทศที่สมควรประเทศที่สมควรนั้นได้แก่ประเทศที่มีบริษัท4ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยหรือเดินทางไปถึง มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาสัญจรไปมาแบบสะดวกอันนั้นเขาเรียกประเทศที่สมควรหรือเป็นประเทศที่มีบุญกิริยาวัตถุ10เป็นต้นดำเนินไปมีทานศีลอปจายนะทานศีลภาวนาอปจายนะณะเวยาวจจปฏิทานะปตานุโมทนาเป็นต้นเนี่ยนะนั้นเป็นประเทศที่มีบุญกิริยาวัตถุ10นี่แหละ ดำเนินไปอยู่แล้วก็มาสังเกตดออูในในประเทศไทยเนี่ยนะยังมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนามีการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีการประพฤติประโยชน์มีการฟังว่าธรรมมีการแสดงทำเออมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมเออถ้ามีการแสดงว่าบุญเกลียววัตถุยังเป็น เป็นคําสอนของพระศ า, าสดาที่มีองค์เก้ารุ่งเรืองอยู่มีสุตตาเคยยะเวยากรณาคาถาอุทานนิติวุตกะเป็นตนน้นเนี่ยก็คือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่องค์เก้าเนี่ยสุตตาเวยะคาถาเออสุตตะเคยยะเวยากรณาคาถาอุทานนิติวุตกะชาตกะอภุต ธ, ธรรมเวทัละสุตตะได้แก่อุปโตพวิพังนิเทศขันตกะปริวารพระสูตรต่างๆมีมงโคลสูตรเป็นตน้น ที่เรากําลังเรียนกันเนี่ยมงค ล, ลสูตรนี้เขาเรียกว่าสุดตะเคยยะก็คือพระสูตรที่ประกอบด้วยคาถาทั้งหมดเวยาการนะคือาภาพพิธรรมปิดกแล้วก็พุทธพจน์ ท, ที่ไม่มีไม่จัดเข้าในองค์8เป็นเวยาการนะคาถาก็พวกธรรมบทเนี่ยเถลีคาถาเทล่าค า, า, าถาเป็นคาถาล้วนๆหรือในสุดตานิบาตเป็นต้นอุทานก็มีพระสูตร82สูตรที่พระพุทธเจ้าเปล่งด้วยสมนัสยาน สนอิติวุตกะก็คือพระสูตรร้อยสูตรที่ขึ้นต้นว่าสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้เป็นต้นชาดกก็มีทั้งหมดห้า้อยห้าสิบเรื่องอภูรธรรมก็คือพระสูตรที่ปฏิสงยุตทต์ด้วยอัจฉริยะภูรธรรมเวทั ล, ละก็ระเบียบคำที่ผูกคำถามให้รู้แจ้งความยินดีเป็นต้นมีจูลเวท ล, ละมหาเวท ล, ละสัมมาทิฏฐิสูตรสักขะ ปัญหาสูตรเป็นต้นเหล่นั้นเขาเรียกเวทัน ล, ละตรงนี้นี่แหละเขาเรียกองค์9องค์9ถ้ายังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ยังเผยแผ่ไปอยู่ในประเทศไหนประเทศนั้นก็เรียกว่าประเทศที่สมควรส่วนอีกในหนึ่งก็คือว่าสถานที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าหนึ่งสถานที่แสดงธรรมจักกับประเวทนาสูตรหนึ่งโคนต้นมะม่วงของนายคันธ ท, ทะหนึ่งแล้วก็เป็นที่แสดงเยี่ยกับปฏิหารของพระพุทธเจ้านี่นะ ลักษณะอย่างนั้นหรือสถานที่ลงจากดาวดึงที่เมืองสังกสะตรรวมกับที่อื่นๆทั้งหมดเนี่ยไอ้ตรงนั้นในในประเทศอินเดียสถานที่พุทธเจ้าแสดงธรรมหรือจำพรรษาอะไรต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดอันนั้นเป็นประเทศที่สมควรทั้งนั้นนะทําไมจึงเรียกว่าเป็นประเทศที่สมควรเพราะเป็นมงคลเป็นปัจจัยแก่การทําบุญกงศัตร์ทั้งหลายฉะนั้นถ้าใครได้ไปอินเดียนะไปณนะที่ตรงไหนก็ไหว้ไปเถอะนะ หันไปทางทิศไหนไหว้แต่ดูทิศดูทางให้ดีไม่ว่าใครถ่ายก็ไม่ไปไหว้ไปทั่วก็ไม่ได้ก็ดูทิศดูทางให้ดีก็ไหว้แล้วเราไหว้เรารู้เรื่องนะไม่ใช่ไหว้แบบไม่รู้เรื่องเนียเพราะที่หน้าที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าเหยียบย่าใช่ไหมแสดงธรรมนั่งประกาศคําสอนอะไต่างๆเยอะแยะหมดไปหน้าที่ตรงนั้นก็ทําศรัทธาให้ตั้งมั่นเกิดขึ้นก็เรียกเป็นปัสสตระเป็นที่ที่สมควรเป็นประเทศที่สมควร พอไปแล้วเป็นทัศนานุตริยาได้เห็นที่ยอดเยี่ยมเมื่อวานก่อนเออมาานเนมื่อวานเนี่ยไม่ใช่วันก่อนวานนี้ไปที่โรงพยาบาลไปเจอโยมคนหนึ่งก็กลับจากอินเดียมาเดียวพอมาเดินลงมาจากที่ประชุมที่หมอก็าพอดีอาเจอเจอก็เลยนั่งเลยยืนคุยกันอยู่พักก็เลยถวายไอ้ใบโพมาห้าใบเออไม่ได้ไปยังได้ใบโพทั้งห้าใบ บอกเอาแล้วบุญน้อยได้ห้าใบนึกในใจเอามาก็ได้เป็นเหตุแห่งการระลึกได้เลยถามมาได้มาจากไหนได้จากเมืองสาวัตถีไม่ไม่อยากถามว่าทําไมสามวัตถีนี่เป็นยังไงนี่ก็ไม่รู้นะแต่เรารู้นะึกต้นโพที่สาวัตถีเนี่ยเป็นต้นโพที่พระอา น, น์นําไปต้นแรกเลยนะนําไปจากต้นแท้ของต้นโพตัสรู้เลยเพาะไปอีกต้นนั้นเอาไปปลูกไว้ที่นั้นที่ ที่สาวถีที่ใกลๆ้ๆกุพระกุฎีคันพระกุฎีของพุทธเจ้าถือว่าเป็นต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดอายุสองพันกว่าปีที่เขาไปเอากันเนี่ยโดยมากไปใต้ต้นที่สแล้วทวนเนี่ยอันนี้เป็นต้นแรกต่อจางต้นแรกเลยเนาะต้นแรกมาเลยเ ป, เป็นเป็นพันของต้นแรกเลยแลละที่พระอ น, นุนเอามาปลูกไว้แต่ต้นนี้ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่ประเทศที่สมควรที่อัตถกถากล่าวไว้เนี่ยยังมีอีกเนะี่ยก็คือว่า ในชมพูทวีปทั้งสิ้นท่านแสดงไว้บอกว่าในทิศ ต, ตะวันออกมีนิคมชื่อว่ากะชังคละเลยกะชังคละเป็นมหาสารนิคมเลยมหาสาระนิคมไปเป็นปัจจันติมะชนบทคือชนบทที่อยู่ปลายแดนต่ำกว่าปัจจันติมะชนบทเป็นมชิมะชนบททางทิศอาคันเนก็มีแม่น้ำชื่อสัละวตี ต่อจากแม่น้ำสารวตีเป็นปัจจันติมะชนบทตามกว่าปัจจันติมะชนบทเป็นมชิมะชนบททางทิศใต้มีนิคมชื่อว่าเศรษฐกันนิกะนิคมต่อจากเศรษฐกันนิกะนิคมก็เป็นปัจจันติมะชนบทตามกว่าเศรษกันนิกะนิคมเป็นมชิมะชนบททางทิศตะวันตกคือทิศปัจจิมปัจจิมมาทิศก็มีบ้านพรามีชื่อทูละทูนะ ต่อจากบ้านพราหมณ์ก็เป็นปัจจันติมชนบทตามกว่าปัจจันติมชนบทก็เป็นมชิมชนบททางทิศเหนือมีภูเขาชื่อว่าอุสีรัตชะต่อจากนั้นก็เป็นปัจจันติมชนบทตามกว่าปัจจันติมชนบทก็เป็นมชิมชนบทมชิมประเทศนี้กำหนดโดยความยาวก็คือ900ยอดกว้างก็250ยอดวัดโดยรอบก็900ยอด อันนั้นเรียกว่ามาชิมประเทศมาชิมประเทศเนี่ยชื่อว่าเป็นปฏิรูประเทศคือประเทศที่สมควรเป็นประเทศที่เป็นมงคลทําไมจึงเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นมงคลพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสและทวีปน้อยสองพันจะบังเกิดก็บังเกิดในมาชิมะประเทศนี้บรรดามหาสาวกมีพระสารีบุตรพระโมคคาราณนาะพระมหากระสอเป็นต้นที่บําเพ็ญบา ร, รมีมานี่นะหนึ่งอสงไขย ก็บ <S an> ังเกิดในมัชช <an> ิมประเทศนี้พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสองอสงไขยถ้าจะมาเกิดก็มาเกิดในมัชชิมะประเทศเนี่ยสองอสงไข่แสนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไข่แสนกับแปดอสงไข่แสนกับและ16อสงไข่แสนกับล้วนแต่บังเกิดในมัชชิมะประเทศทั้งสิ้นฉะนั้นประเทศเหล่านี้จึงเรียกว่าประเทศที่สมควร สัตว์ทั้งหลายในมัชฌิมประเทศนี้รับโอวาทจากพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็ตั้งอยู่ในศีน่าก็ไปสู่สวรรค์สัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในโอวาทตั้งอยู่ในโอวาทของพระประเจคพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนะก็ไปสู่สวรรค์ได้แต่ถ้าผู้ที่ตั้งอยู่ในโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไปสู่สวรรค์และไปนิพพานได้ด้วยก็คืออย่างนี้ว่าทําไมคนถึงปราถนาว่าจะเกิดพบได้ชาติใดขออยู่ในประเทศที่สมควรตั้งปารถนาเขาไว้ จะเกิดชาติใดพบใดขออยู่ในปฏิรูปประเทศนะว่ปฏิรูปประเทศเนี่ยเพราะเป็นประเทศที่สมควรเราก็ไม่ต้องไปย้ายประเทศใช่ไหมถ้าอยู่ในประเทศที่สมควรเ น, น่ยเช่นถ้าสมมติน ะ, ะถ้าพระพุทธเจ้ามาบาดเกิดที่ประเทศอินเดียอย่เงี้ยเรามาเกิดในประเทศไทยเนี่ยโอ้ลําบากอินเดียกลับมาทําบุญใหญ่างเขาถามทามมาาําทําบุญทําไมเขาอธิฐานอธิฐานทาไมาอธิฐานขอให้อยได้ไปเกิดอินเดียเลย กลัวเลยถามทำไมโอ้โหว่ากลัวจะไปเกิดในท้องของคนขอทานก็บางคนตัวเล็กๆตัวเล็กๆ ก, ก็อุ้มเด็กมาคนก็มาขอเนะี่พอคนไทยไปก็สงสารพ่อสตังค์ให้กันะพอให้ปุ๊บไม่พวกมาบีบคอแม่จะดูไม่รู้จะสงสารหรือไม่รู้จะอะไรก็ไม่รู้มันมองแล้วก็มันคิดมากมองแนละ้วมัน ไอ้คำว่าทุกเนี่ยไม่ต้องอธิบายเลยว่างั้นนะคืออะไรเนี่ยโอ้ว่าเห็นปาไม่คิดออกเลยจะมีญาติเราสักคนอยู่บ้างหรือเปล่าไมอยู่ในนั้นมีบ้างบ่างคิดเรามีไหมคิดว่าจะมีว่าที่ญาติของเราว่าที่แม่แน่นาคตมีไหมโอ้ยุ่งเลยปัจนเนี้ยเขาไม่มีเขาไม่มีแม้แต่ที่ร่มๆจะอยู่กันนี่วิ่งกันตามแดดเด้งๆนอนกันตามดินทามทราย อานาำมาชฉีดเขาก็กระเทบหนีนิดนิดโอ้อย่างงั้นนะถึงบอกว่าเขาก็อธิฐานกันบอกว่าถ้าจะเกิดก็ขอให้เกิดในประเทศที่สมควรถ้าเกิดในประเทศที่สมควรแล้วก็เป็นมงคลเป็นปัจจัยให้ได้สมบัติทั้งหลายได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติและสูงสุดก็คือเป็นปัจจัยให้ได้สวรรค์สมบัติฉะนั้นถ้าไม่ได้อยู่ในชมพูทวีปแต่ก็อยู่ในที่ที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้า คือมีบุญกิจวัตถุสิบยังมีอยู่ยังมีการเจริญอริยมรรคบูรพแปดอยู่มีพระสงฆ์สาวกฉั้นประเทศไทยของเราก็จัดว่าเป็นประเทศที่สมควรนะเป็นประเทศที่มีมงคล ท, ทั้งทั้งที่ไม่อยู่ในเขตแดนของชมพูทวีที่เป็นประเทศอินเดียเพราะว่าถ้าอย่างทุกวันนี้จะไปเกิดที่ตรงนั้นก็ถือว่าหมดโอกาสแล้วเพราะคําสอนของพระเจ้าไม่อยู่หรือถ้าจะอยู่ ก็ไม่เอื้อต่อการที่จะราพฤติปฏิบัติสักเท่าไหรแล้วที่อินเดียเพียงแต่เวลคนไปเอาบุญกันรีบไปฉาบฉวยไปเอาบุญแล้วก็รีบกลับมาทำความสังเวชสลดใจให้เกิดขึ้นว่าขนาดพุทธศาสนาคำสอนของพระเจ้ารุ่งเรืองอย่างมากมายเลยเนี่ยก็ยังสาบสูญไปความเป็นอนิจจลักษณะนี่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของพระธรรมคาสอนอยังขนาดนี้นะ ฉะนั้นอย่ามัวประมาทเลยนะจะได้ความสังเวสชสุขใจอันนี้ก็ได้เรื่องในการเจริญกุศลอย่างยิ่งขึ้นนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าประเทศที่สมควรข้อที่สองก็คือว่าปเุเพกตปุญญาตาการได้ทําบุญไว้ในปางก่อนคําว่าปเุเพกตปุญญาตานี้หมายถึงได้สั่งสมกุศลไว้ในอดีตและการสั่งสมไว้ในอดีตนั้นเป็นการสั่งสมที่ปารบพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระขีนาศพด้วย เช่นบางคนไปตั้งจิตอธิษฐานปราถนาใช่ไหมบอกว่าด้วยการที่สร้างบุญบรารมีมาเนี่ยนะการบูชาพระบรมสารีริ ก, า ธ, กธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นต้นการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นเหล่าเนี้ขอให้ได้เกิดในธรรมกลางรการลยานามิตรเนี่ยเป็นสัมมาทิฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาทำวังธรำจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัฏฐ า, า, านญาณเนี่ยและวถ้าเกิดในชาติใดคนใดก็เกิดในประเทศที่สมควรเนื้ บอกว่าให้ได้ได้อยู่ใต้ร่มเงาแห่งบาลพระพุทธศาสนานี่ยเตั้งจิตปารธนาเขาไวน้นี้พอปาล็อพระพุทธเจ้าพระปจเจรพุทธเจ้าเมื่อกี้นาศพการได้ทําบุญไว้ในปางก่อนเป็นมงคลถามบอกว่าเป็นมงคลอย่างไรก็ต้องบอกว่าบุคคลทั้งหลายที่ได้สั่งสมบุญไว้ในปางก่อนเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจากพระพุทธเจ้าเองหรือจากภาษาวกเฉพาะหนะ้า เพียงสี่บาทคาถาเท่านั้นเนี่ยก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนท่านพระพายาฉะนั้นคนที่เขาทําบุญเขาไว้เนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างนี้คือถ้าเขาทําบุญเขาเปล่าเขาจะเดินกุศลไว้ดีใช่ไหมพอเขาไปในภพหน้าพอฟังธรรมแค่นั้นเน่ยเช่นฟังบอกว่าเยธรรมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุุงตถาคตอหเตสัญจายโยณโรโทจาอวังวาทีมหาสมโนยฟังแค่นี้ได้บรรลุเงี่ย อย่างเรายังไม่รู้เรื่องเล ย, ยจับต้นทนปลายไม่ถูกเลยแสดงว่าชาติที่แล้วเราสั่งสมไว้ไม่ค่อยดีใช่ไหมฉะนั้นชาตินี้ก็สั่งสมมาตั้งอัธยาศัยมาบอกไปพบต่อไปเราต้องได้ดีอย่างี้เ น, น ก, ก, ก็ตั้งอัธยาศัยไวไ้คือเป็นปัจจัยก่การแทงตลอดอริยสัตว์ได้ฉะนั้นบุคคลใดได้ทาบุญไว้ในปางก่อนเป็นผู้สั่งสมกุศลมูลเขาไว้เมื่อได้ฟังรม ก็อาศัยกุศลมูลในอดีตนั้นเนี่ยยังวิปัสนาให้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่ความสิ้นอาสวะเหมือนเช่นพระมหากรินนาหรือนางอนชาอัคระมเหสีพระมหากรินนาเนี่ยก็ฟังทำในอดีตมาดีนะเพียงแค่ได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นโอ้โหคนลุกขนชันแล้วแล้วก็ทิ้งสมบัติแล้วเนี่ยเอยเราได้ยินอย่างนี้เราทิ้งมหมต้องนึกอย่างนี้ก็แล้วกันก็ พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วฟังแล้วมันเฉยๆไหมโอ้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าบุญเก่าไม่ค่อยหนุนเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าคนบุญเก่าหนุนดีๆเนี่ยฟังแค่นี้ยไม่ต้องอธิบายมากเลยนี่ฟังก็สงสัยอยู่เรื่อยอยู่พอฟังคําสอนสงสัยอยู่เรื่องเอ๊จะจริงหรือเนีอย่างนี้จะมีมีความคิดลักษณะนี้เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเป็นผู้ได้ทําบุญไว้ในปางก่อนเป็นมงคลและเป็นเหตุให้ถึงความเจริญนี่เป็นอย่างนี้ คาถาที่สในในมงคลที่สองเนี่ยอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไวชอบคําว่าตั้งตนไว้ชอบเนี่ยแปลว่าตนเป็นผู้ไม่มีศีลก็ทําตนเองให้มีศีลตนไม่มีศรัทธาก็ทําตนเองให้มีศรัทธาตนไม่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็ทําตนเองให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเป็นคนตนนีก็ยังความถึงพร้อมด้วยจาราคือการบริจาค ตรงนี้ก็ไปพิจารณาอย่างนี้นะการตั้งตนไว้ชอบนี่เป็นอย่างนี้นั่นถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะทำทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยบางทีมานั่งคิดว่าการที่บอกว่าอัตตาอัตตาสัมมาปณิธีเนี่ยการตั <offend> ้งตนไว้ชอบนี่นะ<ๆ>ถ้าตนเองเป็นผู้ไม่มีศีลก็ทําตนเองให้เป็นผู้มีศีลตนเองไม่มีศรัทธาก็ทําตนเองให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นต้น ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าการตั้งตนเองในบุญในกุศลทั้งหลายก็เอาบุญกุศลนั้นมาจับก็ในที่ตรงนี้มาพิจารณาได้นะบอกว่าก็มาตรวจสอบตัวเองเบีเสร็จนะอัตตาสัมมาปณิที่เนี่ยอีกข้อหนึ่งก็จะแก่สัมมาทิฏฐิอัตตาสัมมาปณิที่เนี่ยข้อคําว่าอัตตาอัตตาในที่นี้ก็แปลว่าอั ต, อตภาพทั้งสิ้นเนี่ยเรียกว่าอัตตาอัตตาสัมมาปณิที ก็คือตั้งตนไว้ชอบเนี่เนะี่ยทีนี้ถ้าบอกว่าตั้งตนไว้ชอบก็คือตอนเป็นสมิจฉาทิฏฐิก็ตั้งตนให้อยู่ในสัมมาทิฏฐิทําสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นทํายากไหมไอ้คำพูดนี่ดูง่ายแตก่การกระทํานี่ยากนะบอกเออตอนเองเป็นคนเกียดค้านก็ทําให้เป็นคนขยันนี่เงี้ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ดูยากยากก็คือเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าเอ อ, อเราเนี่ยมันไม่ชอบที่จะมีศีนเท่าไหร่เนี่ย ไม่ชอบที่จะสมาทานศีลรักษาศีลเี่ยเอ๊ะไม่ชอบเนี่ยชอบนั่งเฉยๆเพลินๆหรือเที่ยวนู่นเที่ยวนีเน้เล่ น, น, น, นอย่างเงี้ยมันมีความสุขนไงใช่ไหมถ้าจะทําให้ตนเองตั้งอยู่ในศีลเป็นต้นเนี่ยรู้สึกมันไม่เคยชอบนี่การที่จะตั้งตนเองให้ตั้งอยู่ในศีลเป็นต้นเหล่าเนี้ยเขาบอกว่าจิตเนี่ยจิตถ้าตั้งไว้ผิดเนี่ยมันมีโทษถ้าตั้งไว้ถูกมันถึงจะมีคุณอันๆนถ้าตั้งไว้ผิดเนี่ยมีโทษแล้วก็ยกตัว อ, อย่างบอกว่า มเมล็ดข้าวสาลีเป็นต้นนั้นหรือว่ามเมล็ดข้าวเปลือกถ้าหากว่าตั้งไว้ดีอ่ะตั้งไว้ดีเหยียบแล้วเลือดไหลเหลยตั้งตั้งไว้ตรงกรงเหยียบเลือดไหลจิตก็เหมือนกันจิตเนี่ยนะสมมติถ้าตั้งไว้ผิดเนี่นะนนนนะตั้งไว้ผิดเนี่นะเป็นมิจฉาบณที่เนี่ยนะตั้งไว้ผิดนี่นะมันผิดตลอดอย่างเช่นว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอะ่ะ วันนี้ไม่สวดมนต์วันนี้ไม่เจริญกุศลไม่เป็นไรเวลาเลยเยอะเนี่ยตั้งไว้ผิดแบบเนี้ยมันก็ประมาทเรื่อยเลยตอเนี้ยประมาทเรื่อยเลยเออเหมือนการฟังธรรมเหมือนกันบางคนเนี่ยฟังทุกวันฟังคําสอนฟังทุกวันเนี่ยนี่ไม่ประมาทแต่บอกโอ้ไม่เป็นไรเราฟังมามากแล้วเออเรามีไว้เยอะแล้วเบาๆไว้ไว้เดี๋ยวฟังเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตั้งไว้ผิดเนี่ยเสียเลยนั้นต้อฟังตั้งใจฟังในที่สุดมีเขาเรียกว่าตั้งจิตไว้ถูก ถ้าตั้งจิตไว้ถูกให้สังเกตยอย่างนี้นะว่าพระบุคคลที่มีอัตถสัมมาปณิทิเนี่ยนะไว้ดีตั้งตนไว้ชอบทั้งหลายเนี่ยนะเขาบรรลุกันหมดแหละเขาตั้งกันไว้ในอดีตมาหลายแสนกลับชาติมาเนี่ยก็ตั้งไว้ดีใช่ไหมเขาก็เจริญมาตามลําดับในส่วนจริงก็แทงตลอดแล้วก็บรรลุได้มีเป็นอย่าง น, นี้นี่เป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าการตั้งตนไว้ชอบจัดเป็นมงคลเป็นเหตุให้รับอ น, นิสงค์ต่างๆ มีการละเว้นเวนภัยในปัจจุบันและพบหน้าเป็นต้นรวมในคาถาที่สองก็มีอยู่3 ม, มงคลนะการอยู่ในประเทศที่สมควรการทำบุญไว้ในปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบนี่เป็นอย่างนี้ประการต่อไปก็คือว่าคาถาที่ส ม, มงคลมีอยู่สี่มงคลนะการได้สะดับตรับฟังมากหนึ่งศิลปะหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหนึ่งสุภาษิตการกล่าววาจาที่ดีหนึ่ง ในมงคลทั้งสี่ดังที่ได้กล่าวบอกว่าพาหุสัจจะก็คือการฟังมากพาหุพาหุเนี่ยแปลว่ามากการทรงจำสิ่งที่ได้ฟังไว้ด้วยแต่ถ้าหากว่าทรงจำฟังคำสอนของพุทธเจ้าไว้มากแล้วก็จำไว้มากอันนี้จัดว่าเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญแล้วเมื่อเราจำคำสอนได้มากนี่นะจะละบาปได้ง่าย ถ้าคนจําคําสอนไม่ได้จะละบาปยากเ อ, อถ้าเราต้องการอยากจะละบาปให้ง่ายเนี่ยละอกุศลเนี่ยละราคะละโทสะละโมหะเนี่ยต้องการจะเจริญกุศลได้ดีให้จําคําสอนเยอะๆถ้าปิดตําลาแล้วลองนั่งถามตัวเองดีว่าจําคําสอนได้ไหมถ้าจําไม่ได้เลยเนี่ยนะโอ้นาเป็นห่วงแล้ะถ้าเป็นคนไข้ก็เรียกอาการโคม่าเนี่ย เอาเพาะอะไรเอถ้าเราไปอยู่คนเดียวใครจะมานั่งท่องให้เราฟังอ้าวมีเทปใช่ไหมเอาใครจะเปิดถ้าพูดไม่ได้ที่หนักไปกว่านนะั้นถ้าหูเราหนวกอ่ะหูเราตึงอ่ะมีเทปมีประโยชน์ไหมทีนี้ยไม่มีแล้วฉะนั้นตอนเนี้ยหูยังไม่ตึงใช่ไหมแล้วความจํามันยังดีรีบจําไว้ครั้งเพราะเป็นมงคล น, นี่พาหูสัจจะนี่ฟังมากอ่ะคําว่าฟังมากในที่เนี้ต้องจําได้ด้วยนะถ้าฟังมากแต่จําไม่ได้ เรียกพระหูสัจจะไหมไม่เรียกไม่เรียกพระหุสัจจะที่ว่าทรงจําไว้มากชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ละอกุศลเป็นเหตุแห่งการเจริญกุศลเป็นเหตุให้เห็นแจ้งปรมัตาสัจจะโดยลําดับสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตระนิกายสัตกานิบาศตอนหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยาสาวกได้สดับแล้วย่อมละอกุศลเจริญกุศลย่อมละสิ่งที่มีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษ ย่อมบริหารตนให้บริสุทธิ์ได้นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายัางตรัสไว้ในจังกีสูตรมชิมนิกายมชิมปัญนาตอีกว่าบุคคลย่อมไข้ครควญซึ่งเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ได้เมื่อไข่ครควญเนื้อความอยู่ทำทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งเมื่อทำที่ควรเพ่งมีอยู่ย่อมเกิดฉันทะเมื่อเกิดฉันทาแล้วย่อมเกิดขมะกขมน่นขั้นเกิดขมะกขม่นแล้วย่อมเทียบเคียงขั้นเทียบเคียงย่อมตั้งความเพียร เป็นผู้มีใจแน่วแน่ย่อมทําปรมัตถสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นแจ้งด้วยปรมัตถสัจจะด้วยปัญญาตรงนี้ก็ไปพิจารณาเราอูเป็นมงคลจริงๆเนะการฟังมากเป็นมงคลการทรงจํามากเป็นมงคลต่อไปอะไรเป็นคําสอนก็เอาไปท่องนะลำดับแรกก็คือท่องมงคล38ให้ได้ก่อนอาเสวนาญภารานังปันติตานันจะเสวนาปูชายจะปูชนียานังก็ว่าไปตามลำดับเนี่ยนะ เอาใช้สาท ย, ยายของเราด้วยแล้วแปลได้ด้วยการไม่คบคนพานครอบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเออถ้าเราได้อย่างนี้ยเริ่มได้ดีได้ใช่ไหมเอาไปส่งข้อเอาไปสาธยายบ่อยๆ น, นี้เราก็จะรู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีมงคลอะไรเกิดขึ้นบ้างตรวจสอบเออถ้าอย่างนั้นเราจะไม่รู้เลยนะว่าวันนี้เราได้มงคลข้อไหนบ้างถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ทราบเลยใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาตามคำสอนอย่างนี้เบีดเสร็จก็จะเราก็จะรู้ว่าเออเนี่ยเราได้มงคลแล้วได้มงคลก็คือได้อะไรได้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือทรงจาได้ทรงจาคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีนี่อันนี้เป็นเป็นเป็นมงคลเขาเรียกว่าเป็นข้อที่บอกว่าฟังมากนั้นคำว่าความเป็นผู้ได้สะดับมากชื่อว่าพาหูสัจจังสดับมากเนี่ย พระหุสัจจังเนี่ยการทรงไว้ซึ่งคําสอนของภาษาสดาภิกษุเป็นพระหูสูตรทรงไว้ซึ่งสุตตะสังสมไว้สุตตะเป็นต้นภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้สดับมากก็คือทรงไว้ซึ่งสุตตะเคยย่าเวยาการณาเป็นต้นพระหุสัจจานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้ละอกุศลและบรรลุกุศลธรรม เช่นจะบรรลุในด้านของศีลกุศลสมาชิกุศลภาวนากุศลเป็นต้นน่ะก็เกิดจากการจำคำสอนได้เยอะเป็นเหตุให้เห็นแจ้งซึ่งปรมตทสัจจะโดยลำดับภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกได้สดับแล้วย่อมละอกุศลบาเพ็ญกุศลละทาที่มีโทษบาเพ็ญทมที่ไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์อยู่เป็นต้นก็หมายความบอกว่า เมื่อเจริญกุศลเป็นไปตามลำดับแล้วเนี่ยก็จะถ้าหากจําคําสอนได้นี่เวลาจะทําบาปอะไรขึ้นมาเนี่ยละเลยเพราะจำได้ใช่ไหมว่าเออนี่ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสห้ามเข้าไวน้นี่ถ้ามันจําไม่ได้อย่างที่ทําไปตั้งนานแล้วจึงมารู้ออันนี้ผิดเลยหรืออะไรยเงี้ยแต่ถ้าเราจําคําสอนได้นี่เห็นอะไรปุ๊บเนี่ปารบลงคําสอนหมดเลยเช่นเราเห็นคนกําลังเดินกําลังพูดจาอะไรกันปุ๊บเราก็จะนึกคําสอนได้ว่า คําพูดเช่นนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุดจริตหรือเป็นทุจริตน้อยถ้ารู้ว่าเป็นทุจริตก็ธรรมะนี้ควรละนี่ไม่ใช่ควรเจริ่งอย่างนี้เป็นต้นนะนะเช่นเห็นคนที่เขากําลังกระทําบาปมีปานาดิบาตเป็นต้นแล้วเนี้ยเขฆ่าสัตว์นี่นะเอออันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นปานาดิบาตเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเนืเมื่อกระทากรรมชนิดนี้แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยแห่งการตกอบายทุกติวิทยบาตนาโลกเออเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําควรละ แล้วไม่ควรยินดีด้วยอยงเงี้ยนะเราก็จะเข้าใจทันทีเลยรตัวนี้ยนี่เขาเรียกว่าจำำําคําสอนด้งถ้าลองจําไม่ได้แลบบ้วแอบไปชื่นชมคนทําบาปซะตั้งเยอะยช่ไม่บางทีบางทีโอ้โหเขาได้ปลามาเต็มลำเรือเลยโอ้ยหลงดีใจซะตั้งเดียวที่ไหนได้ไปชื่นชมสิ่งที่ไม่ควรชื่นชมอีกอย่างหนึ่งนะการฟังเรื่องราวที่ไม่มีโทษของชาวโลกนะ่ะการฟังนั้นก็จัดว่าเป็นมงคลเช่นกัน เพานำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลทั้งโลกนี้และโลกนอันนั้นเป็นพาหุสัจจันจักการสดับตรับฟังมากการฟังมากเนี่ยวิชาความรู้ทั่วไปก็จัดนะเช่นความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของอรักษาพยาบาลความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินความรู้เกี่ยวกับอะไรต่างๆเราเนี่ยนะการทําสิ่งของต่างๆประดิษฐ์ประดอยสิ่งของออกมาความรู้ต่างๆเหล่านั้นก็จัดว่าเป็นมงคล พอเป็นเหตุแห่งความเจริญนะนี่เป็นอย่างนี้อมองคลต่อไปนะมาจากคำว่าสิบปังความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าสิบปังหรือคำว่าศิละปะศิละปะมีอยู่สองอย่างศิละปะของผู้คองเรือนอย่างหนึ่งแล้วก็ศิละปะของผู้ไม่คองเรือนนั้นอย่างหนึ่งหมายถึงนักบวชนะในสองอย่างนั้นการกระทาใดที่เว้นจากอากุศล และเว้นจากการทำลายชีวิตสัตว์อื่นมีการเป็นช่างเงินช่างทองเป็นต้นเชื่อว่าศิลปะของผู้ครองเรือการกระทำเช่นนั้นเชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญนำมาซึ่งประโยชน์ในโลกทั้งสองคือในโลกนี้และโลกน้ก็แปลว่าเป็นคนฉลาดในการประกอบอาชีพงั้นตรงนี้สำคัญคำว่าศิลปะเนี่ยิบปังเนี่ยคนบางคนเนี่ยทำงานแต่ไม่ฉลาด เช่นจะให้ไปตักน้ำเนี่ยก็ไปตักน้ําจริงๆเนี่ยนะแต่บางคนเนี่ยตักน้กําก็หาวิธีนีเ่เราไปตักน้ําเราเหิ้วมางี่มันหนักนี้จะทํำยังไงนะที่จะหนึ่งจะไม่ต้องหิ้วแล้วก็จะเบาแรงอะไรหาอุบายวิธีอะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าศิลปะหรือคนประกอบอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยนะถ้าคนมีศิลปะเนี่ยจากที่จะเหนื่อยน้อยก็เหนื่อยจะเหนื่อยมากก็เหนื่อยน้อย หรือจะต้องเสียเวลามากก็เสียเวลาน้อยเช่นเวลาจะเย็บผ้าใช่ไหมถ้าคนไม่มีศิละปะโอ้เย็บตะพืตะพื้แล้วไม่ได้กะเกณอะไรแล้วแต่ถ้าคนก็มีศิละปะเขาก็มาคิดดูก่อนว่าเออทํำยังไงเนี่ยเขาจะเสียเนื้อที่เสียเวลาน้อยแล้วก็สวยงามด้วยของดีด้วยอย่างเงี้ยแล้าก็มีศิละปะ น, นี่เขาเรียกเป็นศิลปะเนี่ยนะเขาเรียกทําเป็นนะเนี่ยอันนี้ของคู่ครองเรือนทั้งหลายเนี่ยนะดันั้นแต่คนไม่มีศิลปะเนี่ยเขาเรียกไม่มีเสน่ห์ ไม่มีมงคลคนการทําการงานทุกอย่างแลี่บางคนนั่งทํางานเนี่ยไม่อยากนั่งอยู่ใกล้เลยคือไปอยู่ใกล้ๆแล้วดูเครียดใช่ไหมดูเขาไม่มีศิลปะในการทํางานเขาไม่มีความสุขเนี่ยแต่บางคนเนี่ยเวลาไปเขาทํางานเนี goodness, ่ยอยู no ่ใกล้ๆเราก็อยากอยู่ใกล้โอ้ลึกสึกมีความสุขคือเขามีศิลปะในการทําอันนี้เขาเรียกเขามีมงคลใช่ไหมเขาเข้าใจมงคลเขาก็สามารถเอามงคลมาใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้อันนี้เขาเรียกก็มงคลของผู้ครองเรือนเนี่ย เขาเรียกศิละปะเขาเรียกว่าศิละปะของผู้คลองเรือนทั้งหลายนี่เป็นอย่างนี้ส่วนศิละปะของผู้ไม่มีเรือนของผู้ไม่คลองเรือนคือนักบวชอันนี้ก็ได้แก่การเตรียมบริขารพระนี่ต้องเป็นนะจีวรสบงบาทประคดเอวอะไรต่างๆเหล่านี้กรดเนี่ย น, นะนี่ต้องสามารถทําเองเป็นทําอะไรเป็นเบ็ดเสร็จเขาเรียกมีศิละปะเหมือนกัน เตรียมบริขารของสมณะมีการตัดมีการเย็บมีการชนเป็นต้นเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนาถกรณธรรมธรรมที่กระทำให้เป็นที่พึ่งดังที่ตรัสไว้ในอังคุตตระนิกายทศกานิบาตตอนหนึ่งว่าภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ขยันในกรณในกร ณ, ในกรณกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนพรมจันทร์เป็นต้นการกระทาที่ไม่มีโทษของทั้งกฤหัสด้นักบวชเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะ เพราะเป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขความเจริญทั้งโลกนี้แล้งโลกนะเออนี้ตรงนี้ก็พระก็ยังต้องฉลาดนะเช่นในการกวาดวิหารลานเจดีปัดกวาดเช็ดถูตั้งน้ําฉันน้ ำ, ช, นนำชัยเนี่ยพระต้องเป็นตรงเนี้นะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ได้แล้วคนบวชมานานๆแล้วทําอะไรไม่เป็นเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เลื้ยงแล้วอย่างนี้เขาเรียกเสียมงคลข้อนี้ไม่มีศิละปะต้องเป็น ต้องสามารถทำกิจส่วนตนเองเป็นของใช้ส่วนตัวก็ต้องทำเป็นอะไรต่างเนียต้องต้องทำเป็นแล้วก็ต้องทำแบบดีด้วยนะไม่ใช่สักแต่ว่าทำขยุมขยุมวางทิ้งทว่าอะไร่เงี้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ตองเป็นนี่ก็เรียกมงคลนะตรงนี้ถ้าเราไปเจอคนโดยทั่วๆไปที่เขาไม่ฉลาดในอาชีพของเขาเนี่ยนะล้วก็บอกคนไม่มีมงคล เขาบอกเออเนี่ยเป็นอับถ้าไม่มีมงคลเป็นอะไรบอกเป็นอัประมงคลอ่าทำไมเขาบอกเป็นอัประมงคลอ่าเป็นคนไม่ฉลาดในศิลปะไงเออไม่ไม่ฉลาดในศิลปะการงานอ่าข้อไหนบอกเขาบอกสิบปันสิบปังไงพาหุสัจจันจะสิบปังมาจากคำสิบปังมาจาก่าศิลปะเขาเรียกไม่มีศิลปะไม่เป็นมงคลทีนี้อีกข้อหนึ่งวินโยจะ วินายโยเนี่ยได้แก่วินัยวินัยมีอยู่สองอย่างคือวินัยของผู้ครองเรือนและวินัยของผู้ไม่มีเรือนในวินัยสองอย่างนั้นการเว้นจากอากุศลกรรมบสทสิเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกรรมเว้นจากพูดเท็จ เ, เว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคําหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อเป็นต้นเนี่ยนะ อันนี้เขาเรียกวินัยของผู้ของเรือนส่วนการไม่ต้องอาบัติของพระไม่ต้องอาบัตปราชิกสังฆธิเศตนิสกียปราริจิตีปราริจิตีปราริเทสนิยะทุกกฎทุกบาสิตอันนั้นเป็นเป็นวินัยของของผู้ไม่มีเรือนของพระมีปาฏิโมกสังวรอินทรีย์สังว ร, อ, งวรอาชีวะปริสุทธิ์ที่ปฏิยาสันนิสิตาสินเหล่านี้เรียกว่าวินัยของผู้ไม่มีเรือน อันได้แก่นักบวชหรือบรรพชิตเนี่ยตั้งอยู่ในวินัยของบรรพชิตแล้วสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ผู้ที่ศึกษาวินัยดีแล้วชื่อว่าเป็นมงคลเป็นเหตุได้ถึงความสุขในชั้นของโลกียะสุขแล้วก็เป็นปัจจัยให้ได้โลกุตตะสุขด้วยนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ไปพิจารณาดูนะว่าเออมีวินยัยไหมมีวินัยที่ศึกษาดีแล้ววินัยก็เป็นชื่อของศีลนั่นเองคารวะทั้งหลายก็จะต้องก็จะต้องมีวินยัยนี่เป็นอย่างนี้ อมงคลข้อที่สี่ในคาถาที่ 3, ส ส, สุภาสิตสุภาศิตาวาจาคือวาจาที่กล่าวดีแล้วคำว่าวาจาที่กล่าวดีแล้วนะ่คือว า, วาจาที่เว้นจากโทษคือเว้นจากการกล่าวเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเชอือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นสุภาษิตในสุภาษิตสูตรนะสังยุตตนิกยสขาถวรวาจาที่ประกอบไปด้วยองค์สี่ เรียกว่าวาจาสุภาษิตองศ์สี่ก็คือว่าเป็นวาจาที่เป็นธรรมไม่ใช่อธรรมหนึ่งนะสองวาจาที่เป็นที่รักไม่ใช่เป็นที่ไม่รักสาวาจาที่เป็นจริงไม่ใช่วาจาเท็จสวาจาสุภาษิตไม่ใช่ทุพภาษิตอาคําว่าสุภาษิตกับทุพภาษิตนี่คืออะไรสุภาษิตคือคําพูดดี ajud? ทุพภาษินี่คําพูดชั่วคําพูดไม่ดีอีกอย่างหนึ่งนะ วาจาที่เพ้อเจ้อเหลวไหลไม่ใช่สัมผัสพรา ป, ปะวาจาสุภาษิต ท, ที่ในสังยุตเนี่ยนะสัตว์บุรุษได้กล่าววาจาสุภาษิตอย่างสูงคือไม่กล่าวสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกล่าวแต่สิ่งที่เป็นธรรมไม่กล่าวคําที่ไม่เป็นที่รักกล่าวแต่คําที่เป็นที่รักไม่กล่าวคําหลอกแหลกล่าวแต่คําจริงวาจานี้จัดว่าเป็นมงคลนะนำมาซึ่งประโยชน์เพื่อความสุขในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหน้า เหตุที่วาจาสุภาษิตนี้นับเนื่องในวินยัยสงเคาะเข้าในวินัยได้อีกอย่างหนึ่งวาจาสุภาษิตนั้นได้แก่วาจาที่แสดงทำแก่บุคคลอื่นเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยให้เกิดได้รับความสุขในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นวาจาที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษชื่อว่าสุภาษิตฉะนั้นท่านจึงจัดว่าเป็นเป็นมงคลนี่เป็นอย่างวาจาสุภาษิต ดังที่ได้กล่าวตรงนี้ก็ไปศึกษาคําสอนนะว่าวาจาที่เป็นธรรมไม่เป็นอาธรรมวาจาที่เป็นสุภาษิตวาจาที่เป็นที่รักไม่ใช่ไม่เป็นที่รักตรงนี้เขาก็เน้นที่เป็นกุศลด้วยนะเกี่ยวกับคําพูดที่จริงคําพูดนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าเราฝึกยังไงเนี่ยได้แบบนั้นนะคําพูดเนี่ยเราจะฝึกเป็นคนพูดหยาบคายก็ได้พูดกระด้างกระเดืองก็ได้พูดจา ตลกโปกฮาก็ได้หรือจะพูดจาเป็นอัดเป็นธรรมก็ได้ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้านั้นเน่ยเป็นบุคคลที่พูดอยู่ในอัดในธรรมพูดหน้าฟังนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าการศึกษาในมงคลอลไรวันนี้ก็ได้มาอีกนิดหนึ่งในเรื่องของมงคลนะแล้วต่อไปก็จเจริญกุศลกันสักเล็กน้อยวันนี้การกล่าวมงคลมาก็พอแต่แค่นี้ p a m s u t a k a samyang bhagwa s a a t y a viharati j e t v a n anath pindi kas. อาราม अ อ् य त ाอัญตาราดีวตาอภิคันตาเยรัติยาอภิคันต์วันนา จิตวณังอุบาสิกวะเยนบุคกวะปีนุปสังคมีปุสังคมิตวะบุวันตั อิวาติวาอีกมันตังอัตตาสีอีกมันตังทิฏฐาข้อสะดีวิตาบุคบันตัง ग ा थ ा ए अच्छी भ ा स ी बहुदेवा मनुसाचे चाच पूजनी दानंचे ध म ् म च र ि य ा च ज ् य ा त कानंचे เธอ